เมื่อวานมีคนสุรินมามาขอพบเขาเคยรู้จักหลวงปู่ดุลเลยให้พบเพื่อจะเล่าเรื่องหลวงปู่ให้เราฟังชอบฟังบอกตอนเข้าไปลาหลวงปู่จะแต่างงานจะมาอยู่เมืองชนเวลาหลวงปู่ถ้ไปไม่ได้มาทางนี้ละไ ม, ไม่ไม่ไม่ไปสุรินแล้ว หลวงปู่ถามเจ้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ชนบุรีโอ้ไปอยู่เมืองน้ำเค็มเหระใช่ใช่อีกหน่อยเราจะไปอยู่กับเจ้าไปอยู่ที่นั้นเราจะไปประกาศธรรมะที่ชนบุรีเขาบอกแกเข้ามาเจอรูปหลวงปูนะ่นักเกตสะดุง้งเลยรูปาอาจารย์ความรู้ท่านเยอะ เรารู้อะไรแปลกๆคนไม่ค่อยรู้จักท่านทำไมะโยมนี้เรียกหลวงปู่ดูนว่าหลวงตาเรียกหลวงตาเหมือนหลวงตาผนึกเนี mm ่ย hmm. ได้เวลาละเจ็ดโมงครึ่งตามนาฬิกาเดือนนี้การพวนางจริงไม่ยากไม่ยากอะไรเลย แต่เราไม่ค่อยภาวนากันหลวงปู่ ด, ดูเคยบอกหลวงพ่อการภาวนาไม่ยากมันยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆไม่ยากเลยเราไปวัดภาพการปฏิบัติเอาไว้ลึกลับน่ากลัวเกินคิดว่าต้องทำอะไรที่ยากๆทำอะไรที่ทรมานทำกันแลมปีหลายๆปีไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าเส้นทางเดินนี้ใช้ได้จริง แท้จริงธรรมมาของพระพุทธเจ้านะั้นไม่ยากเลือผู้ปฏิบัตินี่ยถ้าทำถูกทำสมควรแก่ทำจะเห็นผลเร็วธรรมมาของท่านจะต้องเห็นผลเร็วอาจจะไม่ถึงได้มากได้ผลนะอินทรีเราอาจจะไม่แก่กล้าว่าได้มากผลเร็วแต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้เร็วเคยเป็นคนใจแคบก็รู้จักใจกว้างเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขึ้นมา เคยทุ่ศีลนะก็รักษาศีลได้ง่ายขึ้นละอายแก่ใจที่จะทําอกุศลทั้งหลายศีลเราดีขึ้นนะจิตใจฟุ้งซ่านตลอดนะหลงกับโลกตลอดเริ่มไม่คลุกกับโลกมากค่อยๆถอยห่างจากโลกจิตใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นจิตใจเคยหลงอย่างเดียวนะเพลิดเพลินเตลิดเปิดเฟิงไปคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มีจริงจังตัวเราก็มีจริงจัง พอมาหัดภาวนาไม่นานก็เริ่มเห็นทุกอย่างมันเกิดแล้วดับได้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วก็ชั่วคราวหมดเลยเพอใจเห็นความจริงอย่างนี้เข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกมากขึ้นชีวิตจะโปร่งเบาขึ้นจิตมันจะค่อยๆวางภาระทางโลกลงไปใจจะค่อยโปร่ง ยิ่งถ้าภาวนามาถึงขั้นในการเจริญปัญญาได้เนี่ยจะเห็นด้วยตัวเองว่าโลกกจิตมันแยกออกจากกันร่างกายกับจิตยแยกออกจากกันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์คือเวทนากับจิตนันก็แยกออกจากกันสังขารที่เป็นกุศลเป็นอกุศลกับจิตนันก็แยกออกจากกันตัวจิตเขาเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เดี๋ยวเกิดที่ตาออกไปดูรูปเดี๋ยวเกิดที่หูออกไปฟังเสียง เดี๋ยวเกิดที่จมูกไปดมกลิน่นไปเกิดที่ลิ้นไปรู้รสเดี๋ยวเกิดตามผิวกายไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวเกิดทางใจไปรับรู้อารมณ์ทางใจเรียกว่าทำอารมณ์นี่เราจะเห็นความจริงถ้าภาวนามาจุดที่เดินปัญญานะเริ่มแยกขันออกไปจเห็นขันแต่ละขันนะไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราห่างๆออกไปนะเหมือนดูคนอื่น ตอนนี้คนที่ภาวนามาถึงเห็นร่างกายแยกออกไปเห็นร่างกายทํางานได้เองนับจํานวนไม่ท้วนแล้วนะหลวงพ่อไม่รู้จะวัดยังไงเลยเยอะแยะไปหมดเลยคนที่ทําได้ตรงนี้จุดตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาถ้าไม่สามารถแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันได้ยังเจริญปัญญาไม่ได้ตัวปัญญาในขั้นการภาวนานะมีทั้งหมด16บหขั้น ใครเคยได้ยินชื่อโสรถยานโสรถยานบางคนเอาสอนสอนกันแต่เคลื่อนเคลื่อนนะสอนกันลาลคลาดเคลื่อนเยอะโสรถยานประเภท บ, บูู๊บ้าบ้ า, บ, าบอกมารู้มักผลไม่มีบุ้มบ้าบอกไม่ขาดสติสักนิดเลยในยานสิบหกโสรถยานยานที่ส4มคยานเป็นพระอริยบุคคลล้ได้มรคยานที่ 15, สิบห้าปุรยาน ก็มีตั้งแต่โสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลยานที่16ชื่อปัจเจเบขณะยานทวนกลับเข้ามาดูว่าอริยมรรคที่เกิดขึ้นล้างกิเลสไปเท่าไหร่แล้วนี่ยานชั้นสูงนะ14 15 16เนี่ยอยู่ในขั้น14 15เนี่ยเป็นโลกุตระระลถัด16กเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกตินะไม่ไม่ได้เป็นโลกุตระ แต่ก่อนจะถึงยานสิบสี่สิบห้าสิบอะไรได้เนี่ยต้องผ่านยานที่หนึ่งให้ได้ก่อนยานที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณต้องแยกรูปนามให้ได้ก่อนแยกรูปนามบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่ารูปยกก็อันหนึง่งรูปย่างก็อันหนึ่งเนี่ยเป็นนามรูปปริเฉทญาณไอ้นั่นแยกรูปกับรูปไม่ได้แยกรูปกับนามแยกรูปกับนามนีนามเป็นคนรู้นะรูปเป็นคนเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้ แยกได้ตัวนาำเองก็กระจายออกไปอีกตัวรูปก็กระจายออกไปได้อีกอย่างตัวรูปกระจายออกไปเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตัวนาำกระจายออกไปเป็นเบทนาสัญญาสังขารวิญญาแยกออกไปเป็นสี่นะมีรูปก็เป็นสี่น้ำก็กระจายออกเป็นสี่ถ้าแยกได้ละเอียดหมดจนนี่ใช้ได้เลยจะไปขึ้นมีปัสนาได้ถ้ายัางแยก อย่างตอ่อย่างต่ำที่สุดนะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแค่นี้ก็เริ่มเดินปัญญาได้ละเรียกแยกรูปนามได้เราจะแยกรูปนามได้จิตต้องถอดถอนออกมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่นักภาวนาเนี่ยไม่ได้เคล็ดลับตัวนี้ไม่รู้ว่าต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันถึงจะแยกรูปนามได้พยายามไปแยกเราคิดคิดแยกเอามันไม่แยกจริง อย่างพอจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสังเกตไม่ร่างกายแยกออกไปแล้วแยกเห็นเห็นเลยนะไม่ตั่งต้องสงสัยเลยว่าแยกไม่แยกแยกได้เองเลยแยกเองเราะเราต้องมาฝึกนะฝึกค่อยๆเรียนค่อยๆ่อรู้จนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเราเห็นรูปนามแยกรู้ด้วยตัวเองรู้ตัวเองด้วยตัวเองได้เลยว่ามันแยกจริงๆไม่ใช่แยกแต่ปากไม่ใช่เรื่องคิดคิดเอาแต่มันแยกจริงๆ เนี่ยผู้ปฏิบัติจะเห็นด้วยตัวเองนะภาวนาแล้วต้องเห็นผลด้วยตัวเองนะส่วนการบารรลุมรรคผลตอนตัดจเบกขณะ เ, เกิดขึ้นยานที่16มันตวนเข้าไปก็ไปรู้ตัวเองออกว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละแต่ในรุ่นของพวกเราเนี่ยอินทรีย์เราไม่แข็งพอนะงั้นบางทีเรานึกว่าเกิดมากเกิดผลไม่เกิดออกอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งเชื่อใจว่าเกิด ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะว่าถ้าจะให้ให้ชั่วนะรอดูสักสามเดือนแต่อย่าดูแบบเข้าข้างตัวเองอย่าคิดว่ากิเลสล้างแล้วเนี่ยทดลองดูล้างจริงไม่จริงหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะไม่ใช่ตอนเป็นพระนะต้องบอกก่อน <c oughs> ตอนเป็นโยมนะจิตมันรวมไปปุ๊บเราคิด ว, ว่ามันละกามได้นะกามไม่โผล่เลยนะไม่มีรู้สึกเลยนะตามองเห็นรูปก็อุเบกขา หูได้ยินเสียงก็อุเบกขาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจจะคิดจะนึกไม่เอาเลยไม่คิดไม่นึกเลยไม่เอาในกามเลยเอย๊มันละกามเล้อแต่ว่าภาวนามันดูประหลาดตลาดไปหน่อยนะไม่ได้เจริญปัญญานะ่าทำไมมันไปละกามแต่นะหลวงพ่อทดสอบนะไปยืมหนังสือโป๊สมัยก่อนอินเทอร์เนต็ตไม่มี เราอย่าอ้างดูอินเทอร์เน็ตโปแล้วอ้างว่าทดสอบนะส <c oughs> ูกกิเลสหรอกนะตอนนั้นหลวงพ่อไปยืมมาดูดูดูดูอยู่ตั้งหลายวันนะใจก็เพิ่มขึ้นมาใจก็เพิ่มมาดีใจเลยนะโอ้ไม่ใช่ผ้านาคาหรอกใจก็เพิ่มขึ้นมากามเกิดอีกแล้วดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจนะถ้าภาวนาได้ผลจริงล้างกิเลสจริงรู้ด้วยตัวเองแต่อย่าเชื่อง่าย รู้ด้วยตัวเองนั่งนั่งได้โสดาคลอกหนึ่งได้สกตาขาเชื่อแล้วอย่าเอาเหลวไหลเนี่ยไปเล่าเรื่องนี้ถวายครูบาอาจารย์นะท่านชมท่านชมดีมีปัญญาไม่หลงกลไม่ถูกกิเลสหลอกงั้นคำว่าผู้รู้รู้ด้วยตัวเองนะเรารู้ได้นะอย่างเราเป็นคนใจแคบเราใจกว้างขึ้นมาเรารู้ได้ เราเป็นคนไม่มีศีลเรามีศีลขึ้นมาเรารู้ได้ใจของเราฟุ้งตลอดเวลาใจเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วเรารู้ได้ใจไม่เคยเห็นความจริงของชีวิตเลยเริ่มเห็นความจริงของชีวิตทุกอย่างในชีวิตชั่วคราวสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราจริงๆเป็นแค่ธาตุขันมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวธาตุขันแต่ละอันแต่ละอนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ยเริ่มเห็นเห็นไปเรื่อยก็เข้าใจด้วยตัวเองนะจนถึง เวลามันตัดกิเลสมันก็รู้ด้วยตัวเองแต่ตาตัดกิเลสเขาแนะนำว่าต้องดูกันนานๆอย่าเชื่อง่ายต้องลองแล้วลองอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกงั้นเราจะไปหาครูบาอาจารย์มารับรองให้อันตรายที่สุดเลยเมื่อให้ครูบาอาจารย์รับรองแต่ละสำนักสำนักเราได้ยินไหมว่าสำนักนั้นก็มีพระลราหารันสำนักนี้มีน้นแต่ละสำนักก็บัญญัติขึ้นเอง งั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังสำนักไหนมีพระอริยะสำนักนี้สำนักโน้นอนะไรเนี่ยต้องใช้หลักของพระเทเจ้าไม่ไม่ปฏิเสธเขาอาจจะจริงก็ได้แต่ไม่เชื่อถือยังไม่อนุโมทนาต้องดูกันนานๆต้องดูกันนานๆอย่างตัวเราเองเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าได้มักได้ผลแล้วต้องดูนานๆอย่าเพิ่งสรุปนะดูไปนานดูว่าจริงไม่จริงกิเลสหลอกได้ หลอกได้เนียนมากๆเลยหนะลอกเก่งงั้นที่ว่าบินอยูชนรู้ด้วยตัวเองนะเบื้องต้นเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยแต่พอถึงขั้นมากขั้นผลนะดูให้นานนิดนึ่งอย่าเพิ่งรู้ไวๆอย่าสรุปไวๆนะถ้าไม่มีฐานก็มีฐานขึ้นมาไม่มีศีลมีศีลขึ้นมานะไม่มีสมาธิมีสมาธิขึ้นมาไม่เคยเดินปัญญาก็ารู้จักแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้รู้ได้ทันทีนะรู้ได้ทันทีแต่ตอนถึงเกิดวิมุติเกิดมากเกิดผลเลย ดูให้นานนิดหนึ่งอย่าเพิ่งสรุปไม่มีใครม า, ม า, มาชี้ขาดให้เราได้นะชี้ก็ชี้กันเองเป็นกลุ่มๆไปเขาเรียกว่าผลัดกันเขียนเวียนกันอ่านวานกันชมประเภทนั <c oughs> <c oughs> ้นเราอย่าเชื่อดูเหตุดูผลอย่างน้อยดูว่าวิธีที่เขาปฏิบัตินั้นนะเป็นวิธีที่ไปสู่มรรคผลได้จริงไหมง่ายๆเลยดูตัวเนี้ย วิธีที่เขาปฏิบัตินั้นไปสู่มรรคผลได้จริงไหมถ้าไม่ได้มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นกลางถ้าคลาดเคลื่อนจากหลักนี้ไม่มีพระริยะเกิดขึ้นแน่นอนนะถ้าไม่มีสติรู้กายรู้ใจไว้นั่งเพ่งกสินเพ่งไฟ เห็นไฟอยู่ข้างนอกนะเชื่อมเป็นดวงสว่างย่อดได้ขยายได้จิตมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมามันเกี่ยวอะไรกับรูปนามไม่เกี่ยวน้ําจิตไปอยู่ในความว่างว่างว่างว่างไปมันเกี่ยวกับการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่เกี่ยวเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่การปฏิบัติใดนะไม่มีวิธีที่จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามต้องเห็นนะไม่ใช่คิด ต้องเห็นความเป็นไตรลักษ์ของรูปนามไม่ใช่คิดเรื่องรูปนามการคิดเรื่องรูปนามว่าเป็นไตรลักษนะ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาในโสรถยานที่พูดถึงตะเกียรยานที่1นึารูปปริเฉถยานแยกรูปแยกนามยานที่สองชื่อปัจจยาปริขหายานนะดูว่ารูปนามแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวมีเหตุถึงจะเกิดรู้เหตุเกิดของมันไม่มีอะไรที่เกิดลอยลอยทุกอย่างมีเหตุถึงจะเกิด ถัดจากมาเป็นยานที่3ชื่อสัมมาสนญาณจะเห็นเลยว่ารูปนามทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิน้นรูปนามทั้งหลายตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์แต่เป็นการเห็นด้วยการคิดเปรียบเทียบเอายังไม่ได้เห็นความเกิดดับต่อหน้าต่อตานะเพราะฉะนั้นอย่างการคิดเรื่องไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะในโสนรยา น, นี้ยอยู่ในยานที่3านมะอย่างเป็นต้นว่าเราสองกระจกนะเห็นตีนกาขึ้น ใจก็สลดสังเวชร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะปีกลายตีนกา ย, ยังไม่ขึ้นปีนี้ตีนกาขึ้นแนละ้วปีหน้าผมเป็นตีนวัวตีนควายอย่างเงี้ยนีไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนายัางเจอด้วยการคิดอยู่การเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเรียกว่าสัมมาสนญาณขึ้นยานที่สี่ชื่ออุท ย, ยาพยาัญชนะนี่เป็นการเห็นความเกิดดับจริงๆ อันนี้ขึ้นวิปัสนาล้วิปัสนา ญ, ญาณนี้ขึ้นจากโสดรญาณญาณที่4ี่นะแล้วก็ไล่ไป9้าอันไล่ไป9อันวิปัสนาไล่ขึ้นไปเรื่อยถึงสังขารุเบกขาญาณวิปัสนาสูงสุดล้สังขารุเบกขาญาณคือจิตมันเห็นความจริงจงกนกระทั่งมันเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งปวงเห็นในสุขกับทุกข์นั้นเท่าเทียมกันเพราะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันกุศลอกุศล ท, ทั้งหลายทเท่าเทียมกันด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกัน จิตยามรับความจริงและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอกันหมดใจที่ภาวนามาถึงจุดนี้จะรู้สึกโลกนี้ราบเป็นหน้ากล่องเลยเสมอกันไปหมดเลยดูไปเนี้ยนะใจมันไม่กระเพิ่มขึ้นมานะชอบคนคนี้เกลยียดคนนี้อะไรไม่มีเลยนะตัวนั้นใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะถัดจากนั้นจะกระบวนการเกิดอริยมรรคหนึ่งจะเกิดขึ้นก็นะนะ จ, ะจะมีตั้งแต่อะไรอนุลมยานโคตรภูยานนะ มรรคยานโภรยานปัจเจเบกขณะยานในกระบวนการที่เกิดอรายาิยมรรคก็มีตั้งแต่อนุลมยานโคตรภูญานมรรคยานโภระยาณเ น, นี่ยอยู่ในกระบวนการที่จะเกิดอรายาิยมรรคกระบวนการนี้จบแล้วนี่จะเกิดยานที่ตัวที่16ปัจเจเบกขณะยานทวนเข้าไปพิจารณาว่าตอนที่เกิดอรายาิยมรรคนั้นล้างกิเลสอะไรไปบ้างกิเลสอะไรยังไม่ล้างจะทวนเข้าไปดูรู้ว่งานยังไม่เสร็จ ถ้างานเสร็จแล้วก็ทวนเข้าไปดูเห็นความเสร็จแล้วจิตจะไปพิจนารนณนิพันธ์นะจะไปทำความรู้แจ้งในตัวนินโรธนล่นจิตมันจะพัฒนาไปนะนี่พวกเราก็ดูการปฏิบัติไม่ยากสรุปนะการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติมีสองพวกพวกหนึ่งไม่สนใจจะปฏิบัติพวกที่สองปฏิบัติผิด ปฏิบัติผิดก็คือไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองไม่ได้ทำตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนต้องจำให้แม่นนะอย่างบารูุมรรคผลนิพพานที่มิปัสสนากรรมฐานไม่ได้มิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่คือการเห็นรูปนามนะบางคนก็สอนกันเพียเพ้ยนๆนะเนี่ยเราเราพูดซื่อๆ อ, อย่างนี้นะเราไม่ได้กะว่าจะไปว่าสานักไหนนะพูดในทางวิชาการจริงๆเลย ถ้าไม่พูดต่างวิชาการอ้อมอมแแม่แ ม, แมไปดูเรื่องเหรอนะก็พากันผิดไปหมดในหลักสูตรนักธรรมเอกมีนะสอนเรื่องสมถะวิปัสสนาเขาก็เขียนชัดเจนเลยเขียนแมาตั้งแต่สมัยการที่5นะแลบอกว่าวิปัสสนานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่เห็นรูปนามเพราะฉะนั้นอย่างเราเรานั่งดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเป็นวิปัสสนาหยังไม่เป็น ยังไม่เป็นเห็นร่างกายอยู่ยังไม่เป็นจนะเห็นต้องเห็นใจ ร, รักนะถึงใจรักจริ ง, รงๆเห็นเลยตัวที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจออกไม่เที่ยงตัวที่หายใจเข้าไม่เที่ยงนะอย่างนี้นะการหายใจออกนั้นอยู่ได้ชั่วคราวทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ การหายใจเข้าก็าหายใจเข้าได้ชั่วคราวทนอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกเนี่ยทุกข์ขังนคะือถ้าไม่ได้เห็นใจรักษนเห็นแต่ร่างกายหายใจอยู่หรือศีชีไพรเขาทําอานาปานสติเขาก็เห็นเหมือนกันนะแต่เขาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ขึ้นมาเห็นไตรักษเพราะงั้นถ้าอย่างพวกเราเดินจงกรมเราเห็นร่างกายเดินไปเรื่อยใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินอย่างนี้นะขึ้นมีปรัสนายังยั ง, ยงแต่ถ้ามีความเห็นแจ้งลงไปเลย ตัวที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่เราเดินนะเนี่ยเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีเราเดินนี่ถือจะขึ้นไม่ปัสนาได้นะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่คงที่เลยนะใจมันเป็นคนดูอยู่สบายๆเห็นแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปต่อหน้าต่อตานะการเดินในแต่ละก้าวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปแลนะ้เห็นความเกิดความดับอย่างนี้ถือจะขึ้นม่ปรสนา จําหลักให้แม่นนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะขึ้นวิปัสสนาถ้าไม่ขึ้นวิปัสสนามรรคผลไม่มีไม่มีแน่นอนงั้นอย่างภาวนาบางคนบอกน้อมจิตไปเข้าไปสู่ความว่างให้จิตอยู่ในความว่างนานๆเหมือนไม่มีกิเลสเลยเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปได้ไหมน้อมจิตไปอยู่ในความว่างมันเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไหมไม่เห็นอะไรเลย ไม่คนละเรื่องเลยนะต้องเรามาระวังให้ดีนะหรืออยู่ๆก็บอกตัวเองว่าอย่าไปยึดถือสิ่งทั้งปวงอะไรๆก็อย่าไปยึดเจออะไรก็บอกไม่ยึดไม่ยึดใจก็โล่งว่างไปเลยเป็นมิปัสชนะไหมเห็นรูปนามไหมนั่งชิดตลอดเลยว่าอย่าไปยึดนีอน่อย่าไปยึดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่การเห็นความเป็นใจรักณ์ของรูปนามนะไม่เป็นมิปัสชนาอยู่ๆก็บอกไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยนะทำใจให้ว่าง หรือน้อมใจไปสู่ความว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นปัดทิ้งให้หมดเลยให้จิตพ้นจากความปรุงแต่งไปเลยนี่สอนอย่างนี้เยอะมากเลยนะเยอะแยะเลยนะนี่ถ้าพวกเราไม่เรียนให้ดีนะเราจะหลงเตลิดเปิดเปล่งไปลองทําดูแล้วไม่จะมีความสุขเพราะอะไรมันเป็นสมถะมันเป็นสมถะนะอย่างน้อมใจไปอยู่ในความว่างนี่เป็นสมถะชัดๆเลยน้อมใจไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรเลยนี่ก็สมถะนะ น้ำใจไปอยู่ในความว่างชื่ออากาสารนันใจยตนะน้ำใจไปสู่ความไม่มีอะไรเลยชื่ออากินจันยายตนะไม่มีใจ ร, รักณ์ให้ดูหรอกเทศดดุไปไหมวันนี้ <c oughs> ต้องเห็นใจ ร, รักณ์ต้องเห็นนะไม่ใช่คิดด้วยนะต้องเห็นวิปัสนานมาจากคาว่าวิปัสนะปัสนะแปลว่าการเห็นวิวิแวแจ้งหรือยอดเยี่ยม เห็นอย่างแจ้งเห็นจริงเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นอย่างถูกต้องเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์สิอะไรถูกต้องเห็นอย่างอื่นไม่ไม่แจ้งเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งนั่นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของน้ํามนี่จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปน้ําได้เครื่องมือที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดก็มีสองตัวตัวที่หนึ่งชื่อสติตัวที่สองชื่อสมาธิชนิดตั้งมั่น สมาธิต้องระบุชนิดด้วยวงเล็บไว้เพราะสมาธิมีอะไรประเภทสมาธิหลอยถ้ยเลยก็มีนะคนจะไปฆ่าเขามีสมาธิไหมจะไปดักยิงหัวใครมีสมาธิไหมคนคิดจะจั่วไพ่มีสมาธิไหมมีและสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงกระทั่งจิตอกุศลก็มีสมาธิแต่มันเป็นสมาธิชนิดชั้นเหลวสมาธิออกนอกเลยสมาธิชนิดหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียว อันนี้ชื่ออารามณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่แหละคือสมาธิที่ใครต่อใครชอบทํากันนักหนาแล้วหยุดอยู่แค่สมาธิชนิดนี้พุทโธแล้วก็สงบอยู่กับพุทโธหายใจแล้วก็สงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วสงบอยู่กับท้องอะไรนี้ขยับมือแล้วสงบใจสงบนิ่งอยู่กับมือนะทํากรรมาฐานอะไรแล้วก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะอันนี้เรียกว่าอารามณูปนิชานเอาไว้พักผ่อนมีประโยชน์ไหมมี ถ้าคนไหนทําได้ให้ทำนะถ้าทําไม่ได้อย่างน้อยต้องทําสมาธิชนิดที่สองให้ได้ชนิดสมาธิชนิดแรกชื่ออรมัมมณูปนิชฌานเอาไว้พักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตปกตินั้นน่ะสับสนโดดจับอารมณ์น้อนที่โดดจับอารมณ์นี้ที่ตลอดเวลาฟุ้งซ่านไปไม่มีความสุขไม่มีความสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขมีความสงบใครถนัดพุทโธก็อยู่กับพุโทโธใครถนัดลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจ ใครถนัด ท, ท้องผองยุบกูทูท้องผองยุบไปให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็ได้ความสุขได้ความสงบเป็นที่พักผ่อนทําให้จิตมีเรี่ยวมีแรงนะแต่สมาธิชนิดที่2นั่นชื่อลักขณูปนิชานลักขณูปนิชานเนี่ยจิตตั้งมั่นเห็นลักษณะลักขณูนะลักษณะนั่นเองคือลักษณะนั่นเองคือคําว่าไตร ล, ล, ล, ลักษณะแหละคำว่าลักษณะลักขณูปนิชานเนี่ยจิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณะ เห็นใจรักของรูปนามทำไมต้องเห็นใจรักของรูปนามรูปนามเลยมีใจรักษอย่างอื่นไม่มีใจรักสิ่งที่เหนือจากรูปนามมี2อย่างอันหนึ่งเรียกว่าบัญญัติเรื่องราวที่คิดไม่มีใจรักณอีกอันหนึ่งคือนิพพานนิพพานไม่มีใจรักษนิพพานมีเอกลักษณ์มีอันเดียวมีอันเดียวนะลักษณะในไตรลักในนิพพานมีหนึ่งคืออนัตตามีแต่อนัตตา ไม่มีอนิจจังทุกขังเพราะฉะั้นจะดูไตรลักษณ์ได้ก็ดูที่รูปนามรูปนามที่จะใช้ดูแล้วเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องเป็นรูปนามในปัจจุบันรูปนามในอดีตไม่มีแล้วตัวมันเองยังไม่มีเลยไม่ไปหาไตรลักษณ์ของรูปนามในอดีตก็เป็นการคิดเอาไม่เป็นวิปัสสนารูปนามในอนาคตก็ยังไม่มีี่งไปดูไตรลักษณ์ของมันก็ไม่ได้เพราะฉั้นจะดูไตรลักษณ์ของรูปนามต้องดูรูปนามในปัจจุบัน นี่เห็นไหมมันเป็นหลักของการทำพิปั ส, สนาทั้งหมดเลยในการดูรูปนามนะให้โลกปัจจุบันนี่ยยังมีปัจจุบันสองแบบเป็นเรื่องที่ต้องเรียนเยอะมากเลยนะค่อยๆเรียนค่อยๆฟังนะไปเปิดซนะีดีนะเทศบ่นไปบนมาเราค่อยดูเอาเราค่ดูไปเรื่อยหมดเวลายังยังอีกนะ <laughs> เสียงหมดนะ่ะเวลาไม่หมดเอาแค่นี้ก็แล้วกันจะ <laughs> นี่หมดเลยครับนหมด